เมือ่อวานเชิไปดูที่เขาจะให้ไปสอนปฏิบัติธรรม <c oughs> แต่มันไม่มีคนไปหรอมันสถานที่สบายเกินไป <c oughs> อันนั้นสักทุมแัดไปเรียนเกีนยารเรียตถงทุกเนืน้อจับวัดุึองราตีมีแตาซีทนะั่ไม่ว่าสกายีกะทางานา เต็ nya ่าแตั nya banyak เต็ p พ t nya banyak บักกุสแต่เป็นเรื่องเลวบักกุสก็ต้ t งอย่างนี้ไม่ใที่มีทด้วยที่พักที่นอนอาหารก็ให้กิน ทำไมคนไม่อยากไปทำล่ะเตีตมปันเนม่ยดีที่นอนเนี่ยถูก bagus, ก, ก, bagus, ก็ดีที่ทำอาหารถูกก็ดีว <c oughs> ันนี้ที่ทำของพระพุทธเจ้ายากที่สามัญชนคนธรรมาดาจะทำได้ ม, มดมัา สมุดาเป็นการขันน ah. ี่ตัวคนเบี้ยซาไม่ละตัวสุชาไม่ละอยากมันขันขันนี่ตัวสมุดาัวสุชาตัวุศลหาอยังไงได้อีกคาสอนของพระเจ้าบ้านไม่ได้เช่าเขาไม่ได้ซื้อจะหาอาหารในใจแต่งใจรักษาใจก็ไม่เอาอย่าี้แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แมม่มม รูม้าที่สนาต้องเช e าไม่ต้อบซื้ออารก็ไม่ตองซื้อเราแค่ทำเ e ื่อทำใหามีดิทัศน์ a ุขเพื่อปีจิรันะกิดก็วกี่ยวกั a มแต่ไม่ใช่มาลาสไม่ไไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็เลยอยู่ตามอำนาจของพระยามาน อำนาจของกิเลสไม่ให้ไปสวรรค์ น, นิพพานมันไม่สนุกทีปาาัเราะจจินันสมาดมมะสังกูดะปจัสมากิเลสาวเยอะสจิปัจั จ, จาาินันสมากิเลสสมากตนปินสะ <c oughs> ุตกนสนุกในสวรรค์ น, นิพพานไม่มีอะไรเลยเป็นแต่ฟ้า เนิปานะอุ ang, ada akan, main ่างไม่ได้อะไรยากหรือยากากหรือยากหรือยากหนือยากหรืมกหรือยากรือยากหรากหรือยากหรือยากหรือยากหร m a ยากหรือยากหรือยากหรือยากหรือยากหรือยาหรือยากหรือยาหรยากหรือยากหรือยากหรือยากรือย e กหร d อยากหรือายอรย นั่นที่มาตุมาตีม a นคือม า, าตาุ baru ้าที่นายนี่ยเนี่ย <laughs> เือา ส, าสันสันว์ี้ลํำรวยก็เอาไปด้วยไม่ได้สวยงามก็เอาไปด้วยไม่ได้กายาจุดะที่ไดาภษาบอกว่าจันติจกจะก็ภาษาบอว่ารุ้สบวงทั้งหมดนีน่เห็นไหมหล่ะใจคนเราชอบจุ้งชอบจุ้ง มยางสอาจย์คนหรือคนที่ไม่ได้ไม่ต้องการจะเป็นสุขคนเราชอบยุ่งนะคของวุเจ้าเสียงพระวจาีสจกันเราซิบุกตอปเป็นอย่างเดียวที่เราไม่เคยเห็นใจว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรยั ง, กกงที่ได้ี่เริจิที่เราบอกว่นะเ า, าเราเ มาว่าเรื่องถึงถูก a ะไร n ่าเรื t องมนุษย์เนี่ e ถูกถึงถูกอะไรทั่วไปทุกพิสูจคือหาที่เกิดตอนนี้ถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้เคยเห็นจิตเห็นใจแล้วก็เลยยุ่งแต่เรื่องกาย ทุกที่เกิดไม่ได้ละทินถ้าเราไม่รีบเรกงรัดปริบัติปฏิบัตการรมก็จะไม่ได้ ใจมา่了อืมอย่อ า, อ า, อ า, อาได้จินด้วยใจก็ชอบฟังฟางหลายรอบเลยบัว<笑> หรออะไวามก่ารในว่าว่อง่ราสรือาอ่าุรคอารือลมถ้วาไมอ่มีรมใจกาว่านี้แล่วือาาา่อ่ออ่าาือราอาาออา่หว ไม่ไม่าาที่นี่ทําไมคนเราไม่ชอบดูลมเกือบนี่คือไมา่ชอบดูลมเพราะเราไม่เคยดู <c oughs> ไม่เคยดูไม่เคยเห็นไม่เคยรูปรูปบุญรูปใจรูปสวรรค์ก็คือลมจุดที่สวรรค์ <c oughs> เห็นลมก็เห็นสวรรค์ k i t ่ tidak pernah l i h อ t ะดูเห็นว่าเราไม่ได้เพ a t อนะด a เห็นว่ a n ราไม่ได้ a พื่อนะดูเห็ น, นวนนงงนน่าเราไม่ได้ n พื n อนะดูเห็นว่าเราไม่ได้เ a ื a อนะด a เห็นว่าเร i ไม่ได้เพื่อนะื่มือวอนน่าพอารเะวรานมพระดูเห็น ควรสนอกสนใจภาคดูลมเข้าลมออกให้นานๆวันหนึ่งอย่างน้อยที่สุดให้ได้สักหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงหรือได้ครึ่งวันก็ยังดีอยู่เป็นติง hari ราย hari อบสถที่นี kita harus ingat-ingat hari ini kita harus berbuat kebaikan-kebaikan ด้วการมีดิทัศน์ด้วกาอนุภานสติ ลืมปา่าอุปรสรรหอาอะรายยางแต่ที่ออสำคัญได้ได้ไส้ได้ได้ได้ได้าม้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ด้ได้ได้ได้ได้ไร้ได้ได้้ได้ได้ได้ได้ไดลได้ได้ได้ไห้ได เมื่อเวลาพระพุทธเจ้าได้เห็นแล้วได้รู้แล้วสวัรค์นิพพานอยู่ในหัวใจก็จมาสอนคนสอนคนให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นี่คนทำไมไม่ชอบทำตามพระพุทธเจ้าสัง Buddha เปลี่ยนจากนิรัก จ, ะะจะะอา อ, อ, อนิพพานาถึงลรามาสักไปหกตาอุันร a r u k e t ต m u จะละตามะในบังเมุจะละกดนิพพานใตนัีได้เามได้เราไ่ไเราไมราม่ามเราไม่ได้าดาดเ่ดราเร่เาไิดเานดเรม่่าไมไดราด้ไปเราไาไาม้าได้ไ่ได้ไปราม้าม้ได้ม้ ลลเหรือว่าทุมีนิตาสิไม่ออายอายอไอกุ ม, ล า, มล า, า, าลีนิิม า, า ว, วันศยวันพระปเป็นทิ้งเป็นิงี่คอนุสวันนี้เป็นิงทีนเลยอย่าให้ทิ้งตเนี่ย ท, ทุกคนนั่นแนะหาลาะเบอาไว้ร อยู่กินก็มากกี่ปีแล้วปรึกเหมือนเดิมนั่นแหละที่ตาดิดุนีย า, าดาิ s อ d a h dari lahir sampai sekarang ถ้าเราไม่ไ ด, าดา้ทำทงกายแต่งทำาไมร่างกายเกิดแล้วแก่เก็บตายมีแต่ของบธของเนา่าอยู่ในนี้ Ya bah, atan, kasih, apa, ian, eh, s m a r i tubuh ada semari kita tiap hari kasih makanan tiap hari kasih obat-obatan kasih p a k a i a n tiap hari sibuk-sibuk sekali sama badannya tapi tidak ngambil uh, manfaatnya dari tidak melakukan meditasi memang tidak ada kunan apa tidak ada yang tentu nanti semua บ, าา บ, บัณาิตต้องต้องถูกทิงแต่ตอนนี้ยังสามารถเพ่งใจได้อย่างรวดเรนั่นคือประโน์ของมเราจะได้แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างคือเราเข้าสมาธิเกิดสมาธิเกิดปัญญามีความรอบรู้นั่นอาจจะแก้ปัญหาได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือตัวรอบรู้ตัวสมาธิหรือตัวปัญญาเาที่ที่ที่ที่ที่ ก a รู้ i ีจะไ a ้ a ม e ธิเนี่ a แม่งไม่ i ด้ต่อเ a ื p องน่าอย u า a รู้ก็ไม่ได้มาระห์เ u ตุน i ้ a ึงตัวอะไรถ้าเราสุดาละเหตุก็ไม่ได้ต่อเราจิตต่างกันสั g กันถึงตัวอะไรถ้าเราพิจารณาบริบทต tenang burung jadi s a m a าธิ i พราะสติไม่ได้ต i อจิตไม่ได a ต่อมา g alam y a n g akan datang itu เราเกิดมามาพบคาสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของเลอของประเสริฐแล้ววันพระเดือนหนึ่งมีสี่ครั้งถ้าเราทาไม่ได้เราจะเกิดมาเพื่ออะไรก็จะเป็ u n ุ่งสักลีสุดาจะได้เกิดมาเกิดได้มนุษย์อย่างที่เจอมาสัมมาอาคามาพุทธเจ้าเจมาสมาธรรมะเจอได้สัมพุทธเา เราต้องนับปร m a banyak-banyak sebelum mati ini เราเตือนตนเองเราเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ดต้องบ a กตัวเองว่าเราเ i ิด sudah ง a ี i r h a ทำ s berbuat k e าต้องบอกัวเ a n ว a าเราเกิดมาทั้งทีต้องพำดีให้า้ ถ้าเราได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าบาปบคืออะไรบุญคืออะไรจระจระอย่งสมบูดาบรนจับไปอรหัตตะเขาสุดาไปรู้ตัวว่ากับเราทุกวันพระทุกวันพระเวลาเราคิดแจะกลับบ้านเดิม ำของหลวงปู่ใหญ่ว่าเตรียมตัวก่อนกลับ ừ ừ, รเราก็จะเข้าสมาธิตรงนี้ปึิ่ไปได้เตรียมเสีย ب, บเสบห า, าหารือุปโภสัตว์กิาต้องเสียบเสียบนะถาติดกิจต้เอ่อมาว่า t ปยัง t ี่อืาอาา่นกิจต้องเสียบเสียบทัสุหมดเพื่อที่ที่อื่ไม่ยากเพราะเรา้ทั้งหมดตอนนี้ต้องเสียบเสียบก่ ล้วามายสุญญาถ้เเาเรา meningan ดุมยอยนี้นั่นที่ก็จะพิาบาวว่ายัง j a s a จา a าอย่า ง, างก็จะเป็นผอานันที่จะเลือกที่ผัดทาเยเร่างใหม่ที่ไม่สุ้าละกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อมาอยู่บ่อยๆทุกปีทุกปีก็จะมาดูอกตนจะยมลูกหลานสนอกสนใจภาคปฏิบัติหรือเปล่าภาคทาบุญหรือเปล่า จงได้ย่ำแล้วย่ำอีกูที่มาอยู่อย่างนี้จากมาเตือนชาประมาทหลวงพ่อนเทาาี่นีาว่ายามาที่นี่เพราะเอกทนี่เรา a ว่า a ราอ r ากราะว่าเราอยากที่นีเาเอามาี่ระรยพะวกมานวกันไปกมีนเตรายกมาีเราอยท่นีะว่าเร l อยากมาที่ a ี่เพรา่าเรยกีะายกทพาอยที่ารกที่นี่เรยมทารอา่นรวกพ่าที่ะ ตกเพ ล, ล, ล, ล, ล, ล, ลืว่าอะไ u ดีอะ a รไ o ่ดีเราต้ h งรไมตการครัเราไม่รีบทาเสียปัจจุบันนี้เราจะเสียใจภายหลังเพราะทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สมณะโคโดมวางพระศาสนาไว้แค่ 5,000 ปีเราได้่ได้ัจบมรรคุกันสกคงนั่นตีมุงยึสันเองดีเวลาตายไม่ได้ได้รอะไจากพระพุทธาาถ้าหากไม่มีใครทำตามคำสอนของพระพุทธเจา้าไม่มีใครมาตักเตือนภาคปฏิบัติ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 เด s ๋ยวมาที่นี่นก็จมีโอกาสมีโอกา a l ดมีใครไหมล่ะที่ไม่เคยรักษาสินแปรต์ที่ pernah, อะไรยั ง, งมไม่เค <c oughs> ยไป a n อะไรเลย as, มีไหมบ้งงานนี้เป็นร้านเล็กๆที่เคยท n อะไรบ้างไหมล่ะรู้จะข้องด้วนไหมล่ะ เอาท้า a อ a ไ a ด a านอาตสาสิลา a ะไ a อดทุวมันมีปัญหาข้อไหนไหมหรือดีทุกข้อยังไม่น่าปัญหาง่ a ย a ังยากด้านด a านอาตสาสิลาอะไรที่ท a y บุอาสะที่ไม่รู้นะที่ที่ท tujuh ya ่ที่ที่ที่ที น่าจะจีตาวดิตวิสุกะยากกนขอขอที่เก็ยสยากกเยะตะกีตวาไม่ให้ไปฟลํำธรคมดิตีตีเป่าเฉยๆี่ดัีดั่งยีีดันอ่าอิตย่ง่ดยตรีไม่ได้นอนต์ไม่ด้นตไมสุสยอะแล้วก็ข้อที่มาลามัน ข้อเดียวไปต่อกันเป็นสองข้อนะมาาคันทะมาลาจีตะวามาลากันทะวเดนมาลาแปลว่าดอกไม้ไม่ให้ประดับประดาดอกไม้จุดทูปจุดเทียนอย่างที่เราทากันนี่นี่ดอกไม้ทูปเทียนกาวคําบูชานั่นแหะแทนดอกไม้ทูปเทียนมาลาอีกทั้งอันนั้นทำไมอะบูงายอะเดี๋ยวพี่จะตามตัเดียวอีกทั้งยอดอุษาปูชาเดียวกันมาลาเดียวกันอีกทั้งบูง่ายบูง่ายส่ใจยอดอุษาปูชาเดียงกัน อะไรลินูชาหลายปีไปเาข้าไม่เหงาแต่ไม yeah, hmm. t ไ d a k l a แต่ไ l ่หิวแต a ไ a ่หิวแต่ไม่หิวแต่ไม่หิวแต่วแต่ไม่หิวแติวแต่ไม่หิ t แต่ไม่หิวแต่ไม่ n ิวแต่ไ i ่ a อ่ายังเกินริบยังเกินนั่อ่าเราเป็นครูสอนหรือเราเป็นวิการเโปชนายสุสาหะหละับป <c oughs> ั่นกินหลัาหันก่อนนตะคีทว่าทํายากเราอดร้องเพลงไม่ได้หรือไม่ไม่ร้องไม่ไปดูเขาร้องไม่ไปฟังเขาร้องกันับฟ้าสุสาเด้งันไอตัวนาตะคีแต่ว่า ก็ได้ยินเสียงดนตรี้ยก็เริ่มเต้นแล้วก็วันก็วันพระกยายาตั้งอย่าไปตั้งใจฟังแหละแต่ฮุกีบว่างดนเรยพอไยินเสียงเขาร้องตกับสมาธิเขามาดูลมเขามาดูลมไม่ได้ยินหรอกถ้าเขามาดูลมอะไรถ้าเขาจะพูดไปร้องไปทั่งขาอที่นัดึงาริตู เด็กลังสุ่งคอนเซนทร์ตั้ n ด a วยกับน้าฟัดอาย์แล่าแล้วง18 18 19 19ปีแล้วเรียนจบแล้วยังยังยังย a งยังยั a ยังยังยัง b ังยัง a ังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยัง e ังยังังยังยังยังยังยังยังยั อดีตอันเดียโตมาสียน้องนอมาสลูกสาวก็เล็กค็น้อยสุดท้ายคนโตผู้ชายม่นาโตมาสีมานะมาสดิอุรุกวีเดยดีมาเลเซียดีมาเลเซียอ่ะมาเลกวเลียถมาแล้วยูลงปู่ยังจ้างตั้งแต่เ็ดขวบถึงยี่สิบร้อยกว่าคนจ้างให้ถือถือเส้นแปด เด็กกลังหลวงปู่เสีอนักอนตไทยเทียบฮาริอุปสัตเบี่สรุเิกาอาตศีลานี่ได้จากคนรอล่ช ah, uh. ่่คนกลังได้ปั140คนแต่เบีย้เงินไปโรงเรียนจนจบเลยนะอาตศีลาต เลยสักครั้ a ได้140ค o ละน่าจะเด็ r อายุ8 l ีถึง12ปีไหม12ลุง a ่อ a หมไม่ก็ไม่ไม่ต a องการขึ้น a าต่อเลยให้เง a นจ a ถึงแต่เด็กม a เ i k u t ั a n ันฝันไม i ใ a โอยเด็กเป็นสีฟุตเกแบบเป็นชีอยู่บแฟนผม ฝึกเบรกไปเอร่ยกว่าคนเวลาเขาเรียนจบเขาจะเป็นอาจารย์แล้วก็คงจะได้คำสอนของุูธเจ้าไปสอนต่อๆไปอีกนันที่อเมริกาเราสเรศัยกลนันที่อเมริกาจะดีครูคู untuk นอ่าถกงั้นอาจารย์อากรมุดจุาครูุครูากมุดที่สอบถามเขาดูเขา ไม่มีใครเบื่อหน่ายมีแต่ชอบสนงังสนงั่ <c oughs> เกอบสมัวเยสนั่งกะไรอย่างอื่อเมริมกาเป่าเซนดีรีเงินอุตสาหปักษเาเซนิหลวงพ่อคิดว่าจะไม่มีถึงสิบคนนะแต่พ่อนั่นเดี๋ยวนี้จังไม่ได้ทราบมากแต่ะไรแต่พ่อเปิดมอยางเปิดมาบางทีเยาไปกิดอ้อ่านักอัานักยังเป็นอย่างแปลนีย้ายาง เ, เาางี จากจะไปพีสไปสักครังสุดาไปสตรสบยอย่างแรกเลยาคิดว่าอยากให้ลกลัวก่ากๆจะไม่กล้าหรอว่าลูกๆจะไม่กล้าที่จที่ไหนแรือว่าลูกีจะ่กล้าที่จะไปที่ไหนหรือว่ากๆจกไม่กล้าที่จป อาจาร r ์โอรังตัวสุสัดอะไรตอนเด็กๆบอกว่าเงียบวันนี้ไม่ต้องพูดเขาก็ไม่พูดอยสู้รู้ n ึงตังตกเราลังจงตึงตังแต่พี่โอรังตัวมันยังง่วงง่วงบอกว่าจะพูดกันวันนี้แักเดียวเอกไปคุยกันอุ่นวายเรนักนักเรียนเด็มกเดียวสู้รู้เดียวไกั a เดียวลังจงเลย เวรเวรานาทุนกุศล อ, อกตนท่านชมลูกหลานแต่เสียสละมาท <c oughs> ำทานก็ดีรักษาศีลก็ดีนั้งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาก็ดี <c oughs> เป็นบุญกุศลคุณกุศลที่พวกเราได้ทำแล่านี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมสิทธิ์สิทธิ์พร้อมทั้งสิทธิ์ส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนัสสาวกโลกนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปั ก, ก, ก, กรักษา อ, อกตนท่านชมลูกหลาน มีแต่ความสุขคนเจริญสุขกายสุขใจการงานสิ่งใดการเงินสิ่งใดหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัจงสาเร็จจงสาเร็จสมดังความปรารถนาจงทุกประการเทิดญาสมุนกษ์สังเตรตนาเรียนเก็บปัจจิกันเก็บัจิกันอย่างที่เราทริหนากษณ์สุ a า a ีส a ดาเก็บปัจ เดี๋ยวนะพานก็ห น, นลกตั้งใจละพร